ดันความเกิดขึ้นความเป็นไปเครื่องไม้อายุหะนะพวกเนี่ยพวกนี้เป็นวัตถุแห่งอาทีนวยานณอภินยยนิเทศเอามาเรียนไว้ก่อนอันในโลกของสุตตะมีอะไรบ้างที่เรียนไม่ได้นิพานว่าเอามาเรียนได้หมดนะมันก็ฟังให้ดีว่าอะไรเป็นอะไรเรียนจนเข้าใจบางคนก็บอกว่าโอ้จะเรียนเรื่องอะไรต้องปฏิบัติสิ่งนั้นให้ได้ก่อนงั้นถ้าเราเรียนเรื่องอะไรเนี่ยเราเรียนเรื่องที่ดินเราต้องมีที่ดินก่อนไหม เรียนผู้บริหารต้องเป็นผู้บริหารก่อนไม่ค่อยเรียนเขาก็เรียนไว้ก่อนกันทั้งนั้นแหละนิพพานนี่ก็ต้องเรียนไว้ก่อนบรรลุอ่อนะว่ามันนำบรรลุหรือเปล่าเป็นต้นแล้วก็บางกลุ่มก็เลยไม่ยอมศึกษาเพรตัวเองยังทําไม่ได้อันนี้ก็เสียใจมากกลาบนักมาตรการถามพระอาจารย์ค่ะออุปาทานี่กับปฏิสนธิต่างกันยังไงคะปฏิสนธิก็คือตอนเกิดนะตอนแรกเกิดปฏิสนธิกระชาติคือตอนแรกเกิดตอนเกิดครั้งแรก อ, อุปาทภปฏิสนธิเนี่ยถ้ามองตามเหตุผลก็ต่างกันตรงว่าอุปาทภตอนที่เรามาขามาปฏิสนธิคือขาไปนันไก็คนละชาติกันถือถ้ามองตามเหตุผลตามนี้นะถ้าตามวัตถุอารทินวายาณก็คือไม่ดีอะ่ะนะถ้ามองให้ดีๆเนี่ยมันคือกรรมวัดวิปากวัดกิเลสวัดเท่านั้นเองอะ่ะไม่มีอะไรเมื่อวางที่พูดถึง อดีตเหตุใช่ไหมอดีตเหตุเท่าไหร่ห้าพออดีตเหตุผลที่ได้ในปัจจุบันปัจจุบันผลก็ห้าแล้วก็ปัจจุบันเหตุห้าอนาคตผลห้าพวกนี้ก็ลักษณะเดียวกันว่าอดีตเหตุทำให้มีปัจจุบันผลคืออุปาทะ อุปาค่าเนี่ยเมื่อหลังมาหลังจากเกิดมาแล้วประกอบไปด้วยอะไรอุปาท่าปวัติคือคําแทนกันปวัตตะคติอุบัตินี่ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรเช่นมนุษย์ชานี้เป็นมนุษย์นะอุบัติเป็นเกิดในคันเป็นคติเป็นมนุษย์อุบัติแบบในคันเครื่องหมายดูได้ยังไงดูได้ว่าแก่ป่วยตายที่ตั้งแห่งความเสียใจ พอเสียใจนะชีวิตที่ผ่านมาทําแต่กรรมเพื่ออะไรเพื่อเกิดในภพใหม่ถ้าเกิดมาปั๊บก็กลับมาอุปาท่าใหม่มันก็วนอยู่อย่างนี้เพราะอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลวัตฏะมันก็เชื่อมอย่างนี้จนหาต้นหาปลายไม่เจอหาต้นหาเจอเมื่อมันเป็นไปอย่างนี้เข้าไอ้ส่วนที่เป็นปัจจุบันเหตุเนี่ยนะหประการเนี่ยแบ่งเป็นในส่วนกรรมกับกิเลส พระพุทธเจ้ารู้ว่าวิธีที่จะตัดตัดโซ่เส้นนี้ได้ไหมตัดวัฏจักรอันนี้ได้ทําลายกิเลสอย่างเดียวรู้ยังไงเห็นยังไงจึงจะตัดกิเลสได้ก็อนุปัสสนาเจ็ดดังที่กล่าวไปแต่ทีนี้ว่าอนุปัสสนาเจ็ดนั้นที่ตัดชันทราคะเนี่ยตัดฉั้นทราคะในอะไรบ้างจากภาพอันนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าคนที่จะออกจากวัฏจไม่ใช่เขาไม่รู้อะไรเลยเขาไม่รู้ความเป็นไปในวัฏะักรเขาไม่รู้เงื่อนไขวัฏจวัฏจเป็นไปยังไงเกิดยังไงไปยังไง ไม่ใช่เขาไม่รู้อะไรเลยนะบรรลุอย่างเดียวรู้แต่ว่าบรรลุลึกซึ้งมากบรรลุแล้วมันดียังไงไม่รู้เนี่ยเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเขาเข้าใจเหตุผลหมดแหละอะไรไปยังไงมายังไงทําไมบรรลุบรรลุแล้วมันดียังไงเขาจึงมั่นคงในพระพุทธเจ้าขนาดนั้นพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นขามากับขาไปหมายความว่าอุปาทะคือการปฏิสนธิในชาตินี้ส่วนปฏิสนธิคือการปฏิสนธิในชาติหน้า คือถ้าดูเรียงตามพยัญชนะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามองคลุมคลุมไปก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันเพียงแต่อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลที่ที่เชื่อมโยงกันเท่านั้นเองนิมิตะเครื่องหมายเครื่องหมายอันเนี้ยมันคือเธอตัวขันท่าถามว่ามันปรากฏตัวยังไงเครื่องหมายอันนี้นะมันปรากฏตัวยังไงชรามันปรากฏโดยความชรามันปรากฏว่ามันคือมันเป็นพยาธิ ถ้าถ้าดูแยกตามนี้ก็มันอะไรนะเป็นเครื่องตรวจสอบวัตตะกันอย่างดีฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนะี่ยชื่อจริงๆอะ่ะชื่อที่ไม่ซ้ํากันมีอยู่ห้าชื่อที่เหลือเป็นคําที่ใช้แทนกันเท่านั้นเองนะในสิบห้าเนี่ยนะย่อมาก็เหลือห้าเหลือห้าคืออุปาทะความเกิดขึ้นปวัตตะเป็นไตรในมิตเครื่องหมายอายุหนะกรรมที่ประมวลมาปฏิสนธคิคือการเกิดมีอยู่ห้าคำเท่านั้นเองในห้าคำเหล่านั้นเนี่ยนะ ไอ้ที่เรามาอุบัติในชาตินี้ดีใจกันเหลือกเกินที่ได้เกิดใครไม่เคยฉลองวันเกิดบ้างยกมือขึ้นนี้ไหมไม่เคยฉลองวันเกิดเลยนึกไม่ออกเลยนะว่าได้ฉลองวันเกิดเลยนะะคนก็โทรมาบอกว่าเออวันเกิดคนนี้อทีนี้พออุบัติมาเนี่ยนะอุบัติมาอย่างนี้แลว้วอ่ะอุบัติ อุบัติกับนิพพติเนี่ยนะนิพพติก็คือบังเกิดเนี่ยอุบัติกับบังเกิดเนี่ยเดียวกันอุบัติมาบังเกิดมานี่ยถ้าไล่แบบคติเราคติไหนในคติทั้งหมดเนี่ยมีห้านะโดยศัพท์เนี่ยคติมีห้าคตินรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาของเราก็คติเป็นมนุษย์แล้วอุบัติอุบัติอุบัติคือคือการเกิดเนี่ยนะ อุปาติหมายว่าอุบัติแบบไหนอ่ะอุปาท่าเกิดขึ้นมาอุบัติแบบไหนสัตว์ในคันอยู่ในคันมาทีนี้หลังจากเกิดมาอย่างเงี้ยรู้ได้ยังไง ร, รู้สิพระมเก่ป่วยพยาธิแล้วก็ป่วยแล้วก็เกือบๆแล้วตายทีนี้ถามว่าโกว่าจะแก่ป่วยตายเนี่ยอะไรบ้างเสียใจไหม โศกะไหมปริเทวะบ่อยไหมทุกขะอันนี เ, อนะเอปอุปายาตเลยนะทานะกรรมบานเลยทําเยอะอ่ะคิดดูวันหนึ่งพูดกี่คำเลยไหมออกมาวจีกรรมมากชราในชะ่ไหชราพยาพิมรณะเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกรรมทากรรมก็เพื่ออะไรเพื่อเกิดพอเกิดมาก็มาไล่กติไหนข้างหน้าเนี่ยดูอะไร ของเรานะั้นเลือกทางได้เลยหนึ่งนรกสองเปรตสามเดรัชานสี่มนุษย์นะห้าเทวดาเลือกเอาคติดูนะอะไรนะอา้าเบื่อวัตตาไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> เบื่อวัตตาไม่ใช่เหร อ, อยังเลือกเองนะทีนี้ถ้าเป็นพวกนี้ก็มีเงื่อนไขว่าเกิดในนรกนะโอปปปาติกะอย่างเดียว เกิดเป็นเปรตโดยมากมีอยู่หลายกลุ่มนะเปรตแบบโอปปาติกะก็มีแบบเกิดในครันก็มีเดรฉานเลือกเกิดในครันเกิดในไข่หรือเกิดในที่แฉกก็ว่าไปเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์กลุ่มไหนมนุษย์เกิดในครันหรือว่าเกิดเป็นโอปปาติกะกลุ่มแรกที่มาจากพรหมหรือว่าเป็นนางอัมพาปาลีอย่างเงี้ยนะหรือเป็นเทวดาเทวดาก็ถ้าพรหมเทวดาก็เกิดในครันก็มีเดว่าไปอย่างเงี้ยวัตตะมันก็ยาวอย่างนี้แหละ นะวัตถุพวกนี้เป็นวัตถุแห่งความน่าเบื่อหน่ายนะ <ไง S 1> การแสดงตรงนี้วัตถุประสงค์ว่ามันน่าเบื่อหน่ายมันไม่น่าเอาอะไรสักอย่างหรอกเห็นไหมมาแอบ น, น, นึกเล่นๆ น, นะสมมติถ้าเราละลึกหนึ่งชาติเนี่ยนะภาพหนึ่งชาติเนี่ยออกมาหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีเนี่ยหนะึ่งชาติเนี่ยแล้วถอยหลังหกสิบนาทีนะหนึ่งนาทีเนี่ยเราจะละลึกได้หกสิบชาติสมมุตินะ แล้วก็ถ้าเป็นหนึ่งวันเนี่ยกี่นาทีวันหนึ่งหนึ่งวันนันเท่าไหร่วีซียสิบสี่คูณหกสิบเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ไหหนึ่งสี่สี่ศูนย์ก็ก็วันหนึ่งก็ร ะ, ะลึกชาติได้หนึ่งันสี่ร้อยสี่สิบชาติ ที่ดูนะถ้าเป็นแบบภาพดูในทีวีนะของเรานะี่ยเปลี่ยนทรงไหนบ้าง <c oughs> เปลี่ยนหน้าเราไปเรื่อยใช่ไหมหน้าก็กดแชกแชกแบบภาพแบบแบบอที่ยมอ้วนให้ดูภาพนะเนีกดเลื่อนไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะเลื่อนทีลชาติทีละชาติทีลชาติทีลชาติ ด, าต ด, าตดูนะพวกหน้าประทับใจขนาดไหนเ น, นียจะเป็นอะไรมากเนาะ อ, อะไรนัลองกดดูนะนะใครเลรย่อชาติได้มันก็เหมือนกระกดนึกดูเนะี่ยโอ้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ก็กดวันหนึ่งนะจริงๆก็กดได้แค่พันสี่ร้อยสี่สิบชาติเองแล้วกดอยู่อย่างนี้สักร้อยปีนะร้อยปีก็ไม่หมดร้อยปีก็ไม่หมดนะกดอยู่ห้าล้านปีก็ยังไม่หมดเลยเพราะว่าตาไม่รู้เบื้องต้นมันตั้งกัเมื่อไหร่ก็กดไปดูว่าภาพจะออกมาภาพไหนมากที่สุดและไปทากรรมอะไรกันมากกว่านี้สายกดมาทีภาพช้างออกมาเลยนะ กดมาที Lord, ่ภาพม้ามาเลยวิ been, like ่งมาเลยนะกดมาทีสุนัขนั่งเห่ายืนเห่านั่นนะกดไม่ทักหนึ่งเอาเป็นเทวดาไปแล้วกันกดพักหนึ่งเอาถูกอย่างในนรกทำไมทำใจลําบากเนี่ยก็พระองค์ตรัดอย่างนี้ดูก่อนที่สูตทั้งหลายถ้าหากว่าเธอเห็นพวกญาจกพระเนจรพวกคนยากไร้อนาถาเธอก็พึงนึกได้ว่าแม่ในอดีตที่ผ่านมาอันยาวนานเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว คงบอกเลยว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบอกไปวอานั่นคือสิ่งที่เราเคยเป็นทุกสภาพนะเว้นแต่โสดาปฏิมร์เป็นต้นนะนะถ้ามองทุกอย่างมองเหตุยไกลเนี่ยนะมองเหตุไกลเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยนะวิบากที่เห็นเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายประกาศถึงกรรมในอดีตว่าคนนั้นเองก็ทํามาไม่เบาเนี่ยนะ เธอคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเราทั้งหลายจะกรุณาตอนเขาเสวยผลกรรมเราจะไม่ค่อยกรุณาตอนเขาทําเหตุวิบากที่เราเขาได้รับอยู่เนี่ยนั้นคือสมควรแก่เหตุที่เขาทําในอดีตอย่างเหมือนกับพี่พองษ์ตรัสกับตรัสถึงพระโมฆลลานะใช่ไหมว่าโมฆลลานะตายในชาตินี้ไม่สมควรก็จริงแต่สมควรแก่กรรมที่ทำในอดีตอันะสมควรแก่กรรมยังไง ก็ที่ทุบพ่อแม่นะก็สมควรแล้วที่ถูกทุบนะถ้ามองเหตุผลนเนี่ยนะก็ยุติธรรมแล้วแต่ผู้ถ้ามองกันแค่ชาตินี้เห็นแต่ท่านเป็นคนดีมาตลอดท่านไม่น่าจะต้องเป็นอย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าถ้ามองชาตินี้ท่านดีเยี่ยมนางจินจักรมาณวิการไม่น่าจะมาว่าท่านแต่ท่านเคยส่อเสียดคนอื่นไว้แล้วอดีตชาติเพ้าองค์เคยส่อเสียดสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระพุทธเจ้านี่ไปฉันข้าวแดงอยู่สามเดือนก็เพราะไปด่า ด่าพรไว้ว่าให้กินข้าวแดงนะปฏิบัติผิดอยู่หกปีก็เพราะไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นถ้ามองในชาตินี้ไม่สมควรหมดเลยแต่ว่ามันส่องถึงว่าวิบากที่ทําในอดีตมหาปริศลักษณะของพระองค์แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ส่องถึงกรรมในอดีตที่พระองค์ทํามาท่านก็วิสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะวิบากที่เขารับรับอยู่ส่วนหนึ่งคือเหตุในอดีตแต่อย่างว่าศัพท์ทั้งหลายเสวยวิบากใดบ้างไม่ต้องทํากรรมใหม่ ไม่มีสเสรยวิบากก็ต้องทำกรรมอีกแล้ววิบากอย่างหลังจากเราเห็นเราก็วิบาก ค, คือการเห็นจากคูวิญญาณชาวนะทำกรรมใหม่หูได้ยินเสียงชาวนาทากรรมใหม่ทั้งปัญจทาาวารวิถีมโนทวารวิถีชาวนะเหล่านี้เป็นกรรมหมดเลยบางหลายครั้งกรรมด้วยกิเลสด้วยถ้าเป็นบุญน้เป็นกรรมอย่างเดียวถ้าเป็นอกุศลกรรมบวกกิเลส ทั้งเป็นกิเลสทั้งกรรมท่านวัตตาก็สัมพันธ์สืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้นี่แหละเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมกันแต่ว่ามันทรงไว้ซึ่งวัตถุทุ ก, กันนะพวกนี้มันก็เป็นภาพมันเป็นตัวที่ทรงไว้ซึ่งซึ่งทุกมันไม่มีจบมีสิ้นมันเชื่อมโยงกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาถ้ามองโดยเหตุผลทั่วๆไปนะถ้าเป็นคําสอนที่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้แก้แล้วอยู่ในทุกแก้ทุกแล้วก็เฝ้าทุกต่อไป แต่ของพระพุทธเจ้าบอกว่าออกอย่างเดียวจึงจับพ้นทุก่ะนะวิวตตใช่ไหมวิวตตบอกว่าเงื่อนไขนะจะโดยเหตุผลใดก็าตามออกนี่มันดีที่สุดเนี่ยนะออกนี่ดีที่สุดถึงอยู่เฝ้าขันท่านะมันก็ไม่ได้ว่ามันจะดีขึ้นอะไรนะวัตต์มันก็วนๆอยู่อย่างนี้นี่แหละก็ยังเ อ, อสนทนากันในช่วงนี้ทําให้เห็นนึกว่าอนาคตนะหลายคนเนี่ยจะต้องทํากรรมอะไรอีกหนักหนาไม่ทราบ เพราะว่าอย่างสมมติถ้าเราทั้งหลายไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนานะ่ยอาคุสนกรรมบทเราจะเว้นข้อไหนได้บ้างเพราะเราจะไปรับทิฏฐิอีกทิฏฐิหนึ่งขึ้นมาจะไม่ให้ทิฏฐิที่ที่สอนว่า ก, กรรมมีผลบุญบาปมีผลเมื่อเราไม่รู้กรรมและผลของกรรมถามว่าเราควรจะไปประกอบอาชีพอะไรเราควรจะมีพฤติกรรมยังไงควรจะมีกายกรรมเป็นต้นยังไงต่อไปเนี่ยนะถ้าเราไม่มีาศาสนาแล้ววตัตตะมันไม่ได้มีชาติเดียว ฉันถามว่าถ้าอยู่ในวัฏฏะต่อไปเนี่ยพอมาถามว่ากลัวอะไรที่สุดกลัวไปทํากรรมไม่รู้เราจะต้องไปทําอะไรอีกมากก็ไม่รู้จะต้องไปทํากายกรรมอะไรก็ไม่รู้ไปทําวิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ไปทํามโนกรรมอะไรก็ไม่รู้ว่าถ้าบุญมันให้ผลถ้าเกิดเรามีอํานาจแบบพิตเลอร์เราไปทำอะไรโอ้ทาบาปได้บานเลยนะคือคือถามว่าเหตุปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นมีได้ไหมอะไรบั่งที่มีไม่ได้อะอะไรบ้างที่มีไม่ได้ ถ้าโยมหลายคนนี่ถ้าไปเป็นทองอะไรเนี่ยเป็นแบบแบบทองฮาแบบจีนเนี่ยแต่ชูศรีไทยเฮาเนี่ยนะจะไปเป็นยังไงอ่ะจะทำกรรมอะไรไว้ชาติหน้าเห็นบุญมันให้ผลฉลาดเท่าของเบงเงี้ยทาไงข้าก็ตายบอ <c oughs> ลนเพราะเจ้วัตตาเนี่ยมันก็น่ากลัวถ้าเกิดมีบุญบางอย่างให้ผลมาไปเกิดเป็นศาสดาแล้วเรามีเห็นผิดสาววกเราเต็มไปหมดเลย ว่าไงกันมันพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างไหมในกรรมบทสิบฉันว่าตะเนี่ยมันตอนนี้เรามองเฉพาะใกล้ๆมองแค่เฉพาะหน้าเราเขาว่ามันไม่มีอะไรอ่นแล้วว่าแล้วคงสบายแต่จริงไม่ใช่ง่ายๆหรอกเพราะว่ามิจฉาทิฏฐินะั้ยิ่งยุคต่อไปนะมนุษย์ต่ำกว่าร้อยปีเนี่ยมิจฉาทิฏฐิมันจะระบาดมากขึ้นมากขึ้นกว่านี้นะตอนนี้ก็ระบาดเต็มที่หมดเลยใช่ไหมระบาดเต็มที่อยู่แล้วต่อไปนี่ระบาดมากกว่านี้ เพราะฉะนั้นการฆ่าการเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ใช่วิธีชอบทรมองว่าการฆ่าสัตว์นี้ชอบทำเป็นต้นไปแล้วเพราะนั้นมองเห็นการทำบาปนี่เป็นสิ่งชอบทำการล่วงอกุศลกรรมบดสิทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่เออดถ้าใครไม่ล่วงกรรมบดเชื่อว่าผิดปกติเพราะปกติของเขาผิดกุศลอกุศนกรรมบทเนี่ยนะนั้นยุคต่ อ, ต อ, ตอไปเนี่ยถ้ามองว่าถ้าปฏิสนธิมาใหม่เนี่ยโอ้หน้าตัวมากมากเลย ไม่รู้จะไปทำกต ร, รมอะไรไม่รู้จะไปอยู่ในฐานะตรงไหนไม่รู้จะไปอยู่ตำแหน่งอะไรก็ราายุต่อไปนะศีลและศิขาจะไม่เห็นคุณเลยแม้คนยุคนี้เราคุยเรื่องศีลเนี่ยเป็นคำชั่วแล้วนะเป็นทุกขตาไปแล้วพูดเรื่องตกเบ็ดมหากุุสตรต่อยมวยการกรุสตร์เนี่ยนะก็ใช่ตกปลาการกุสตรี่เขามี อย่างสมมุติว่าบางหมู่บ้านก็มีบ่อน้ำใหญ่ๆเลยนะปลาเป็นตันๆอย่างนั้นนะประกาศติดป้ายโฆษณาเครื่องเดือนอีกข้างเดือนตหน้าเป็นการกุศลขายบัตรตกปลาในนั้นเนี่ยการกุศลเอาเงินไปบํารุงวัดกว่าว่าไปทํำไรกว่าว่าไปนะเนะี่เพราะฉะนั้นถ้าไปทอดกระถินผ้าตาหลายแห่งเนียเขาก็จะฆ่าหมูเราต้อนรับเราทาการกุศล ข่าควายบ้างข่าหมูบ้างหูต่ำต้มเหล้าไว้เต้ไปหมดเนละมีเหล้าทั้งเหล้าเถื่อนเหล้าสารพัดมาตั้งเมาแหทอดพระปาแบบทอดพระปาแบบคนเมาทำบุญนะ่ะนะผลจะเป็นยังไงนะทำบุญด้วยทวีเหตุเต็มที่เลยแหละนะแต่กรรมมันให้ผล ก, ก็อย่างที่เราเห็นเนเ น, เนี่ยนะเหมือนมนุษย์ที่เราเห็นไม่ใช่น้อยท่านในต่อไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่นี้มันมีสังคมที่เรียวกว่าเป็นภัยกับมหากุปลนล้วนๆที่ไม่มีอกุศลเจืออยู่นะมีไม่เท่าไหร่โดยมากก็อิงทิ ธ, ธีใดพิฐิหนึ่งไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งท่านวัตตะเนี่ยไม่ปลอดภัยเอาเลยเราก็ไม่รู้จะไปทํากรรมอะไรทั้งกายกรรมวิจีกรรมมันอายุหะนะอายุหนาเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยมันพร้อมที่จะไปเป็นได้นนทุกอย่างทีนี้พอพอทํำกรรมมากมายขนาดนี้นะปฏิสนธิพร้อมที่จะมีได้ทุกประเภทเนี่ยนะ อย่างที่ว่านะเป็นราชินีอยู่ดีๆเป็นนอนกันดื้อกัะดึ้อไปแล้วใช่ไหมแต่งตัวงามอยู่ดีๆบินเป็นนกกระยางไปแล้วอยู่ดีๆเป็นกบเป็นเขียดเป็นปูเป็นปลาเป็นสัตว์น้ําเป็นสัตว์ประหลาดถูกเผาอยู่ในรกนั่นต้นพร้อมที่จะเป็นได้หมดเลยอย่าว่าใครอื่นเลยพระโพธิสัตว์ใช่ไหมมีชาติหนึ่งเกิดมาเป็นจันทร์ตายจากจันทร์เนี่ยนะไปเกิดเป็นเป็นเนื้อตายจากเนื้อไปเกิดเป็นนกเขา ตาจากนกเขาเกิดเป็นลูกปโปรหิตเป็นตน้นเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่าง้เมืองพารณสีนี่เป็นเมืองที่พระโพธิสัตว์น้ําตาไหลมากบ่อยด้วยเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดือดร้อนเหมือนกั น, เ, นเดือดร้อนหลายชาติมากขนาดแม้กระทั่งกลับสุดท้ายยังเดือดร้อนขนาดนั้นจะกล่าวมายายก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นมาเนี่ยนะนั้นผู้ที่เฝ้าว่าตาเนี่ย ถ้าไม่ตัดชันทราคาในวัตฏะถ้าไม่ออกจากวัตฏะนี่ไม่ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงเลยาวัตถุใดมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการทําบาปลองคิดหาดูเลยโดยที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าคนเคารพพระพุทธเจ้าทุกคนหรือไม่ใช่พระเทวทัตเคารพไหมก่อนหน้านี้ก่อนตายนะก่อนตายมากเกือบตายเนี่ยค่อยสํานึกได้ก่อนหน้านั้นไม่มีเลยเขาเรียกว่าเป็นคน อ, กนอักตะนยูสมบูรณ์แบบเนี่ยนะ พระ อ, องค์บอกว่าถึงจะยกแผ่นดินให้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสําหรับคนากระตันยูขนาดนั้นเนี่ยนะเขาก็จะไม่รู้คุณอะไรท่านเขาบอกพระ อ, องค์ตรัสว่าสุนัขจรจ脚 บ, บางตัวนะั้นมันยังรู้คุณมั่งเลยถ้าเทียบ ก, กับเทวทัพเนี่ยนะไม่รู้คุณอะไรเลยตอนพระ อ, องค์มีพระชนอยู่พระ อ, องค์ก็ตรัสอย่างนั้นนั้นผู้ที่ที่เกิดในวัตฏะเนี่ยนะอย่าลืมว่าพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างถ้าได้รับการสังสม ทีนี้อย่างถ้าเราจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเหตุตัดใ จ, จทําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิมีอะไรบ้างหนึ่งขันห้าถามว่าถ้าเกิดเราต้องมีขันห้านะขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิสองในโลกมีมิจฉ ua ไหมมีถ้าเราต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคล น, นั้นเอะอย่างอย่างยกตัวอย่างนะอย่างอาชีพบางอาชีพในยุคนี้คืออาชีพหาความเลวของคนถ้าเราเห็นความเลวของคนเท่าไหร่เห็นเขาผิดเท่าไหร่คนนี้จะได้ดีเท่านั้นเอา ก็ต้องจ้องนะแกเลวตรงไหนแกไปผิดอะไรมาก็ต้องสืบคิดอยู่นั่นแหละหาแต่ความเลวของคนโดยส่วนเดียวเนี่ยนะถามว่าชาติทั้งชาติเนี่ยทํากรรมอะไรไว้เขาขับรถสบายๆเจ้านี้คอยดูใครผิดจราจรมันกดมั่งอ่านะเดือดร้อนอ่านะก็ลำบากจริงที่ต้องทำำํากรรมยอมกนหนึ่งก็เล่า ว, ว่าโอโ้เนี่ยผมเนียผมต้องมองทุกคนเนี่ยเลวไว้หมดก่อนอ่ะนะอนะมองเขาไม่ดีเอาไว้ก่อน ต้องต้องมีส่วนหนึ่งอะที่เขาต้องหาความผิดของเขาให้เจอถ้าหาเจอเราก็ได้ดีถามว่าถ้าต้องประกอบอาชีพเหล่านี้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นก็ไล่ล่าใตัวนะวัตตน์นี่จึงใครที่เกิดมาไม่เพื่อนบาปพายยากมากนะจะต้องไปคลุกคลีต้องไปอยู่ในแวดวงต้องไปเข้าสังคมเป็นต้นที่จะต้องผู้ศีเนี่ยที่จะต้องรักษาศีลไม่ได้สรุปเกี่ยวข้องเมื่อไหร่เป็นได้ล่วงกรมบฏอ่ะไม่ข้อหนึ่งก็ข้อหนึ่งจนได้นะม โดยที่สุดก็ไม่มีอะไรเลยก็เพอร์เจอร์ก่อนนะเอาไปข้อหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยหนักขึ้นหนักขึ้นหนักมือขึ้นในที่สุดก็อะไรบ้างที่ทําไม่ได้ทีนี้เมื่อทํากรรมขนาดนี้แล้ววิบากที่เห็นเห็นอยู่เราพร้อมที่จะไปเป็นได้ทุกอย่างอดีตที่ผ่านมาเราก็เป็นทุกอย่างอนาคตต่อไปเราจะต้องไปรับภาระอะไรบ้างเราจะต้องไปเป็นอะไรบ้างมันวัตถุแห่งอาทีนวญาณพวกเนี้นะจึงเห็นว่า ความไม่เกิดความไม่เป็นไปความไม่มีเครื่องหมายเนี่ยจนแยกแยะระหว่างสองฝั่งให้ออกเลยวัตะเป็นยังไงถ้าไม่มีวตะเป็นยังไงนะอย่างเช่นในหน้าสิบห้าเนี่ยนะอุปาทะกับอนุปาทะความเกิดกับไม่เกิดเป็นยังไงกวัวตะเป็นไปกับไม่เป็นไปนิมิตะมีเครื่องหมายกับไม่มีเครื่องหมายทํากรรมกับไม่ทํากรรมปฏิสนธิกับไม่มีปฏิสนธิเป็นไปกับไม่ต้องไปบังเกิดกับไม่เกิด อุบัติกับไม่อุบัติชาติกับไม่มีชาติชรากับไม่มีชราพญาทิกับไม่มีพญาทิมรณะกับไม่มีมรณะโศกกับไม่โศกปริเทวากับไม่ปริเทวะกุปลายาตกับอนุปายาตต้องมาแยกสองส่วนนี่เลยมาชั่งสองส่วนมีกับไม่มีมีกับไม่มีกรรมถ้ากรรมไม่ให้ผลเนี่ยะต้องเป็นคนคิดลักษณะนี้ให้บ่อยให้มากนเนืองเนยนะก็ต้องมาแยกแยะสองฝั่งนี้ให้ดี มันไม่มีใครบรรลุนิพพานโดยที่ไม่รู้คุณของนิพพานหรอกไม่มีจริงๆ